9. ทุติยะอุปปัคข ะ, ะศสิกขาบท 32. ถามทรงบัญญัตินิสักคยะปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ที่เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาพวกคฤหัสผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกำหนดชนิดจีวรณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรที่เขาไม่ได้ประวราณาเอาไว้ก่อนเข้าไปหาพวกครืหัดผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกำหนดชนิดจีวรในทุติยอุปัคตะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทรฐาน เกิดด้วยสมุตรฐาน6สมุทฐาน